ที่สามแพ่งกรุงเทพใต้สำหรับท่านใด ท, ที่ไม่สามารถสัแเพวารับรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือสัพเพวารับรู้อาการทางกายอาการทางใจเบอร์ที่เอาใจเข้าไปยุ่งวุ่นวายหรือว่าติดไปกับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือติดไปกับอาการต่างๆ ต, ติดไปกับสติแห่งจิตหรือ อากน้องจิตปฏิยาห้องจิตใ ด, ใดอยู่ตลอดเวลาไม่สับแต่ว่ารู้สับแต่ว่ารับรู้อยู่เฉยคือเป็นผู้ตึกนึกคิดปรุงแต่งไปที่เองตลอดเวลาไม่ได้เป็นผู้ที่สับแต่ว่าผู้ดูรู้เห็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แต่เป็นผู้ที่มีหรือเป็นผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นั่นเองก็ให้ คิดพุทโธไว้ความคิดหนึ่งซะก่อนอยู่ตลอดเวลาคิดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจมีความรู้ตัวรู้สึกตัวรู้ต่อทันตลอดเวลาว่ายังคิดพุทโธอยู่ทุกขณะปัจจุบันเชืเมื่อไหร่ก็ไม่ได้คิดพุทโธเขาไปคิดอย่างอื่นก็ให้รู้ตอนทีว่าแต่คิดอย่างอื่นแล้วก็ให้รู้ตัวรู้ต่อทันแล้วกลับมาคิดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วมีความรู้ตัวรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองกําลังคิดพุทโธอยู่ เดี๋ยวก็เข้าไปคิดอย่างอื่นไม่ได้คิดพุทโธก็มีความรู้ตัวรู้ต่อสานว่าขณะนี้ไปคิดอย่างอื่นแล้วไม่ได้คิดพุทโธก็ให้มาคิดพุทโธซะคิดพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็เข้ไปคิดอย่างอื่นอีกเราก็คิดพุทโธไปเดี๋ยวก็ไปคิดอย่างอื่นอีกเรารู้ตัวรู้สถานก็คิดพุทโธไว้เรื่อยๆไปอย่างนี้ให้มีความรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาว่าคิดพุทโธอยู่หรือคิดอย่างอื่นอยู่เดี๋ยวทั้งความคิดพุทโธนั้น มีจํานวนมากกว่ามีกําลังมากกว่าความคิดอื่นๆเสร็จแล้วเหลือแต่ความคิดพุดโทโธกับผู้รู้ความคิดพุดโทโธกับผู้รู้นั้นก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเหลือแต่รับรู้อยู่ในใจที่สงบและว่างเปล่าไม่ก็ไปเกาะเกี่ยวกับความรู้สึนึกคิดอารมณ์ใดๆเลยไม่เป็นผู้ที่เพลินติดไปเป็นผู้คิดพูดนึกพูดต่กพูดสองผุ้ปรุงแต่งผู้มีอารมณ์ตัวเอง แต่เป็นผู้ที่ดูรู้อยู่เห็นอยู่เฉยดูรู้เห็นอยู่เฉยอยู่ตลอดเวลาไม่เข้ไปเกาะเกี่ยวยุ่งวุ่นวายกับสิ่งใดเลยทั้งภายนอกและภายในคือใจนั้นสักแต่ ว, ว่าดูรู้เหน็นหรือว่าสักแต่นนว่ารับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสภายนอกหรือสักแต่ว่ารับรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ภายในไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวไม่ติดไม่คล้องสักแต่ ว, ว, ต ว, ว่ารับรู้สักแต่ว่ารับรู้ดูรู้เห็นอยู่เฉย ผู้ที่สักแต่ว่ารับรู้หรือดูรู้เห็นเฉ ย, ยๆนั่นแหละคือใจที่สงบและว่างเปล่าจากสงบและว่างเปล่าจากรู่ก็กินเสียงสัมผัสสิ่งดใดภายนอกแล้วก็มีความสงบและว่างเปล่าจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้รู้ก็สักแต่ว่ารับรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นั้น ด้วยจที่สงบและว่างเปล่าความสงบและว่างเปล่านั้นไม่ต้องพยายามทาขึ้นมาถ้าเรารู้รู้ลดกีดเสียงสัมผัสหรือรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือรู้่าการทางกายร้่าการทางใจโดยรู้สับแต่ว่ารับรู้ใจเขาก็ถึงซึ่งความสงบและว่างเปล่าเองต่อให้มีอาการใดๆความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างใดๆเกิดขึ้นตลอดเวลาจะยุ่งวุ่นวายสับสนเพียงใดก็ตาม แต่ใจผู้รู้ตอบแต่ว่ารับรู้นั้นก็จะมีความสงบว่างเปล่าในตัวของเขาเองเป็นคุสตุบัติของตัวเขาเองตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องพยายามทําใจให้สงบและว่างเปล่าเพราะผู้รู้นั้นเป็นความสงบคุตตุบัติของผู้รู้นั้นคือมีความสงบว่างเปล่าไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่เป็นความว่างเปล่าเช่นเดียวกับจักรวาล ดังนั้นถ้าเรารู้สอกแต่ว่ารับรู้รูปรดกินเสียสัมผัสภายนอกหรือรู้สอกแต่ว่ารับรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรืออาการทากายอาการทางใจภายในใจของเราโดยรู้สอกแต่ว่ารับรู้นั้นใจก็จะมีความสงบว้างเปล่าด้วยคุณสมบัติของผู้รู้นั่นเองโดยไม่ต้องพยายามทำใจให้นิ่งๆไม่ต้องพยายามทําใจให้สงบไม่ต้องพยายามทำใจให้รองว่าง ขอให้รู้สักแต่ว่ารับรู้รู้สักแต่ว่ารับรู้ไปเรื่อยๆรู้ตามดูตามรู้ตามเห็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อาการทางกายอาการทางใจโดยไม่มีใจเข้าไปคล้องแวะยุ่งวุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นเลยไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแซงชั่นไม่เข้าไปอยากให้เขาเป็นไปอย่างไรแล้วก็ไม่เพลินใจจิตไปกับเขาได้แต่รู้สักแต่ว่ารับรู้รู้สักแต่ว่ารับรู้ไม่เข้าไปกดข่มบังคับอย่างใดๆ ให้เข้าไปจัดการบีบบังคับอยากให้เขาเป็นไปอย่างไรรู้สับแต่วันรับรู้นั่นแหละทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกอาการทุกปฏิยาที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันให้รู้สับแต่ว่ารับรู้รู้สับแต่ว่ารับรู้ใจก็จะถึงซึ่งความสงบและว่างเปล่าเพราะผู้รู้ที่รู้สับแต่วันรับรู้นั้นคุณสมบัติของเขาคือความสงบความว่างเปล่าท่านก็จะถึงซึ่ง รู้สักแต่ว่ารับรู้นั่นแนะรู้สักแต่ว่ารับรู้ความวุ่นวายยุ่งเยิงภายในจิตใจและภายนอกนั่นแนะแม้จะมีความวุ่นยุ่งวุ่นวายกับสนองจริงใดภายนอกแต่ใจผู้รู้ตอบสนองรับรู้มีความสงบและว่างเปล่าอยู่โดยไม่ต้องพยายามทําใจให้สงบและว่างเปล่าเลยอย่างใดเหลือแต่แค่รู้สักแต่ว่ารับรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อาการากายอาการใจในขณะปัจจุบัน ตามดูตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆโดยไม่เพลินใจปิดไปกับเขาเลยสแต่ว่าดูแต่ว่ารู้แต่ว่าเห็นทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อาการทางกายอาการทางใจในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันไม่กล่าไปกดข่มหรอครับให้กล่าไปอยากเขาเป็นไปอย่างไรไม่เพลินใจติดใส่กับเขา ได้แต่รู้สต์แต่ว่ารับรู้รู้สตกแต่ว่ารับรู้หรือตามดูตาม ร, ามรู้ตามเห็นอาการทางกายอาการทางใจหรือความรู้สึกนึกิดอารมณ์ในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันถ้าไม่สามารถที่จะทนดูรู้เห็นจักแต่ว่ดูรู้เห็นได้ก็ให้บริกรรมคําว่าพุโทโธเพิ่มมาอีกห น, นึ่งอันให้คิดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไว้แล้วก็รู้สต์แต่ว่ารับรู้ในใจตนเองทุกขณะปัจจุบัน คิดพุดโทโธไว้อันหนึ่งก่อนเราให้รู้ความคิดพุดโทโธไว้ว่าขณะปัจจุบันนี้คิดพุดโทโธอยู่หรือว่าไปคิดอย่างอื่นถ้าเขาไปคิดอย่างอื่นก็รู้ตัวรู้ตัวตัดแล้วก็คิดพุดโทโธไว้คิดพุดโทโธไว้ท้งนี้เพื่อไม่ให้ตัวท่านเองเป็นผู้คิดตัวเองเป็นผู้นึกเองเป็นผู้ปรุงแต่งตัวเองเพื่อจะกายใท่านเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูผู้เห็นว่าท่านกาลังคิด พุทโธอยู่หรือว่าคิดอย่างอื่นหรือว่าดูรู้เห็นจิ่ใจของท่านในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันถ้าท่านเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้จองผู้ผูแต่งไปตัวเองตลอดเวลาท่านก็จะไม่เป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นแต่ถ้าท่านเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นความคิดพุทโธไว้ด้วยอันหนึ่งก่อนคือคิดพุทโธพุทโธพุทโธแล้วท่านก็เป็นผู้ดูรู้เห็นว่าท่านกําลังคิดพุทโธอยู่ทุกขณะปัจจุบันนะพอมันคิดอย่างอื่นท่านก็รู้เห็นว่าขณะนี้ไปคิดอย่างอื่น ท่านเป็นผู้ดูรู้เห็นอยู่อย่างนี้เวลาเกิดอะไรขึ้นภายในจิตใจของท่านท่านก็จะเป็นผู้ดูรู้เห็นตลอดไปไม่ไปเป็นผู้เป็นคือเป็นผู้คิดผู้นึกผู้สึกผู้ต่อผู้ปรุงแต่งผู้เมียอารมณ์ไปตัวเองเพราะเราเป็นผู้ดูรู้เห็นความคิดผู้โถอยู่แล้วเมื่อมีความคิดอย่างอื่นเกิดขึ้นมีอาการอย่างอื่นเกิดขึ้นมีอารมณ์อย่างอื่นเกิดขึ้นมีสกิริยาของจิตพุทธิแห่งจิตใดๆเกิดขึ้นท่านก็จะเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นโดยที่ไม่เข้าไปเป็นผู้เป็น เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ต่อบผู้ปรุงแต่งหรือผู้เมียลมไปเสียเองดังนั้นท่านจึงสุดไอ้ตัวท่านเองเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นความคิดพุทโธอยู่ให้จิตเขาคิดพุทโธพุทโธขึ้นมาไปในใจแล้วท่านก็บอกเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นจิตที่คิดพุทโธนั้นเพราจิตก็มีปฏจจิกิยาอย่างไรมีพิติแองกิปอย่างไรมีอาการอย่างใดๆท่านก็จะเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นจิตนั้นเรื่อยไปโดยที่สักแต่ว่าเป็นผู้ดูสักแต่ว่าผู้รู้สักแต่ว่าเป็นผู้เห็น